ในโลกนี้มีทรัพย์อยู่สองชนิดด้วยกันคือทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในคำว่าภายนอกกับภายในก็คือนอกใจกับภายในใจทรัพย์ภายนอกใจก็คือทรัพย์ทางร่างกายทรัพย์ที่พวกเราหากันอยู่ทุกวันนี้ เงินทองเงินเดือนลาบยศอะไรเหล่านี้เรียก ว, ว่าเป็นทรัพย์ภายนอกลาบยศสลรเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆข้าวของเงินทองต่างๆสมบัติต่างๆที่เราหากันแล้วก็ใช้กันเพื่อให้เกิดความสุขกับเรา นี่คือทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ที่ใช้ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่พอเราไม่มีชีวิตพอร่างกายเราตายแล้วเราก็ไม่สามารถใช้ทรัพย์ภายนอกได้ต่อไปส่วนทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่เรา ใช้กับใจของเราเรานี่มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจจิตใจนี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายเวลาที่ร่างกายตายไปจิตใจก็ ต้องอาศัยทรัพย์ภายในถ้าไม่มีทรัพย์ภายในจิตใจก็จะเป็นจิตหรือวิญญาณที่ยากจนแร้นแค้นถ้าจิตใจมีทรัพย์ภายในจิตใจก็จะเป็นวิญญาณที่มั่นมั่งคั่งเป็นเศรษฐีเป็น มีทรัพย์ภายในดังนั้นเราต้องหาทั้งทรัพย์ภายนอกและหาทั้งทรัพย์ภายในเพราะว่าเราต้องอาศัยทรัพย์ทั้งสองส่วนนี้ตอนที่เรามีร่างกายเราก็อาศัยทรัพย์ภายนอกเราอยากจะซื้อข้าวของอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินไปดื่ม ไปดูไปฟังอะไรเราก็ต้องมีทรัพย์ภายนอกต้องมีเงินทองแต่ในขณนะดเดียวกันเราก็ต้องคิดถึงเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ต้องอาศัยทรัพย์ภายในถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในเราก็จะเดือดร้อนเราจะยากจน แนนแค้นทุกยากลำบากเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเพราะเราจะไม่สามารถหาทรัพย์ได้ตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกหรือทรัพย์ภายในเราต้องหาตอนที่เรามีร่างกายอยู่ ถ้าเราหาเพียงแต่ทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวพอร่างกายตายไปใจที่เป็นจะเป็นเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ยากจนถ้าไม่หาทรัพย์ภายในเตรียมเอาไว้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานี่มาหาทรัพย์ภายในด้วย อย่ามัวแต่หาทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจจะไม่สามารถหาทรัพย์ภายในได้และไม่สามารถใช้ทรัพย์ภายนอกได้พอไม่มีร่างกายแล้วจะไปเอาทรัพย <esi àn S 2> ์ <successfully hats> สมบัติเข้าของเงินทองมาใช้ก็ใช้ไม่ได้ดูคนตาย คนที่ตายไปแล้วต่อให้เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถใช้เงินทองของตนเองได้อีกต่อไปเงินทองของตนที่หามาได้มากมายกายกองก็กลายเป็นของคนอื่นไปหมดนะตอนเองก็เป็นเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือบุญ ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาทำกันเนี่ยถ้าเราทำบุญเราจะมีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้ก็เปรียบเหมือนกับเงินที่เราเวลาเราไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินเราเอาเงินบาทไปใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้เราก็เปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดอลเงินยูโรเงินเยนเงินอะไร แล้วแต่ประเทศที่เราจะไปถ้าเราไม่มีเงินต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศเขาก็ไม่ให้เข้าประเทศเนะี่ยเข้าไปกักไว้ที่ชายแดนนะพวกที่อบพยพบไปอยู่ตามชายแดนหนีสงครามหนีอะไรไปไม่มีเงินติดตัวไปเขาก็ให้ไปอยู่ตามค่ายกักกันตามชายแดนเพราะเข้าประเทศเขาแล้วจะไป เป็นขอทานไปเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนให้กับอประชาชนของเขาเขาก็เลยไม่ให้เข้าประเทศแต่พวกที่มีเงินนี่เขาต้อนรับเปิดประตูให้พอให้เขาเห็ น, เ, หนเงินในกระเป๋าว่ามีกี่หมื่นกี่แสนยูโรกี่หมื่นกี่แสนดอลล่าเขาก็วอลคัมยินดีต้อนรับ <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวพวกเราจะต้องออกเดินทางไปต่างประเทศกันทุกคนประเทศที่เราไปเราเรียกว่าโลกทิพย์ตอนนี้เราอยู่ในโลกของมนุษย์โลกของร่างกายแต่เดี๋ยวร่างกายตายไปเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ใช้เงินทองที่เราหาไว้ไม่ได้แล้วเหมือนกับเราถูกบังคับให้อบพยพ ย้ายบ้านย้ายเมืองย้ายจากโลกนี้ไปสู่โลกทิพถ้าเรารู้ว่าต่อไปเราต้องย้ายถิ่นฐานเราต้องไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเก็บเงินทองของประเทศนั้นไว้หรือหรือว่าจะไปอเมริกาก็ต้องเตรียมเก็บเงินดอนไว้เยอะๆพอเวลาไปถึงอเมริกาก็มีเงินดอนใช่ เราต้องไปอยู่โลกทิพย์นะต่อไปโลกทิพย์ต้องใช้ทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือบุญชนิดต่างๆที่จะอำนวยความสุขความสบายให้กับเราในช่วงที่เราไม่มีร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียง ที่อยู่อาศัยชั่วคราวของเราพอร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนบ้านพังเราก็ต้องย้ายบ้านใหม่ก่อนที่เราจะไปได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องอรอเวลาช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงนั้นเราจะเป็นดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆขค้ื่นอยู่กับบุญหรือบาปที่เราทำ ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่บางทีเรานอกจากาทำบุญแล้วบางทีเราก็ไปทำบาปด้วยบาปนี้ก็เป็นเหมือนหนี้เป็นเหมือนเงินทองที่เราไปกู้ไปยืมเขาเดี๋ยวเราต้องใช้ถ้าไม่ใช้เขาก็จับเราไปติดคุกติดตารางทำบาปแล้ว เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้นี่วิธีใช้นี่ทางโลกทิพย์เขาให้เราไปอยู่อีกอีกซีกหนึ่งของโลกทิพย์เนี่ยโลกทิพย์นี้มีแบ่งเป็นโซนๆเป็นโซนที่พวกที่เป็นมีนี่มีศีลนี่เขาให้แยกไปอยู่อีกโซนหนึ่งโซนนี้เขาเรียกว่าอบาย อาบายนี้ก็มีอยู่สี่สี่ที่ด้วยกันให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ไปเป็นเปรตให้ไปเป็นนสนรกายให้ไปอยู่ในนรกถ้าทำบาปจะต้องไปใช้นี่ถ้าทำบุญก็เขาจะแยกให้ไปอยู่เอกโซนหนึ่ง โซนนี้เขาเรียกว่าสุขคติหรือสวรรค์พวกดวงวิญญาณที่มีบุญไม่มีบาปทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะไปอยู่ในโซนของเทวดาเป็นดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความสุขก็เหมือนกับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเรามีเงินติดตัวไปเราก็อยู่โรงแรมห้าดาวได้อยู่โรงแรมกินอาหารร้านอาหารราคาแพงๆได้เพราะถ้าเรามีเงินจ่ายแต่ถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเป็นหนี้เขาก็จะจับเราไปจับกักขังไว้เช่นมีคดีติดตัวไปเราไปต่างประเทศทางประเทศไทยก็จะส่งชื่อเราไปที่ประเทศเขา ถ้าคนนี้เข้าประเทศต้องจับติดคุกติดตารางหรือส่งกลับมาบ้านก็อันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ดวงวิญญาณเราอยู่กับดวงวิญญาณดวงวิญญาณก็จะพาให้เราไปรับผลบุญหรือผลบาป ไปรับทรัพย์หรือไปใช้นี่ yeah. Yeah. ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราอย่ามัวหลงหาแต่ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ที่เราใช้กับร่างกายของเราเพียงอย่างเดียวเพราะว่าต่อไปเวลาไม่มีร่างกายแล้วนี่เราจะใช้ใช้ทรัพย์ที่เราหามาด้วยร่างกายไม่ได้ เราต้องใช้ทรัพย์ที่เราหาได้ด้วยการทาบุญแล้วเราก็อย่าไปสร้างหนี้อย่าไปมีหนี้เวลาที่เราหาทรัพย์ภายนอกหาทรัพย์ทางร่างกายบางทีเราก็อาจจะหาโดยวิธีรัดคือไปทำบาปไปขมโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงเพราะเป็นวิธีที่หาได้ง่าย หาได้มากหาได้เร็วพวกเราเป็นพวกใจร้อนอยากจะได้อะไรง่ายๆมากๆเร็วๆก็เลยมักจะหาโดยวิธีช่อโกงโกหกหลอกลวงลักทรัพย์หรือบางทีก็ถึงกับฆ่าฟันกันเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์อย่างง่ายดายรวดเร็วแต่เราไม่รู้ว่านอกจากที่ได้ทรัพย์ภายนอกแล้ว เราไปได้หนี้ภายในด้วยเราจะไปต้องไปใช้หนี้ต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถึงแม้จะถูกจับติดคุกติดตลงก็ใช้หนี้ภายนอกเท่านั้นเองแต่หนี้ภายในนี้ยังไม่ได้ใช้หรือบางทีทำบาปทำผิดกฎหมายแล้วอาจจะไม่ถูกจับไม่ต้องไปติดคุกไม่ต้องไปใช้หนี้ ทางร่างกายก็ได้แต่นี่ทางใจนี่ยังต้องไปใช้อยู่นี่นี่นี่ภายในนี่หนีไม่พน้นหนีไม่ได้นี่ภายนอกทางร่างกายยังหนีได้โกงเขาอยู่บ้านนี้ไม่ได้ก็ย้ายไปอยู่อีกบ้านอย่างอยู่อีกเมืองหนึ่งเขาตามไม่ทันก็ก็ลาดตัวไปแต่นี่ภายในนี่หนีไม่พน้น นี่ภายในนี่มันเป็นอัตโนมัติพอร่างกายตายไปปับ๊บถ้ามีนี่ภายในนี่กฎแห่งกรรมนี่เขาจะจัดการแยกไปอยู่ในซี่ของอบายทันทีไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรลกายไปนรกทันทีกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่เป็นกฎอัตโนมัติทำแล้ว พอถึงเวลาตายไปก็ต้องไปรับใช้นี่ทันทีไม่มีรอลงอายาด้วยนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราต่อไปพวกเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นร่างกายอย่าไปคิดว่าพอเราตายไปแล้วเรื่องของเราจบเราจะสูญหายไปไม่มีเราอีกต่อไป อันนี้ไม่เป็นความจริงความจริงคือร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรายังอยู่ต่อเพียงแต่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเพราะโลกนี้ที่เราใช้ร่างกายมาอยู่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็เลยต้องไปอยู่ในโลกทิพย์ไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็ต้อง ไม่มีนี่ถ้าเราถ้าเราอยากจะไปอยู่ที่สบายเราก็ต้องอย่าสร้างนี่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีร่างกายอยู่อย่าทำบาปนะวิธีสร้างนี่ก็คือการทำบาปต่างๆนะการทำบาปก็มีอยู่สี่ลักษณะทำบาปเพราะความหลงหรือเพราะความไม่รู้นะบางคนไม่รู้ว่าทำบาปแล้วมีผลตามมา เขาบอกว่าฉันต้องกินฉันต้องอยู่ถ้าฉันไม่ทํำบาปฉันก็อยู่ไม่ได้เอาเท่นทํามาหากินด้วยวิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็เอาไปฆ่าเพื่อที่จะได้เอาไปขายเพื่อที่จะได้ไปเอาเงินไปซื้อข้าวซื้ออะไรมากินมาอยู่ อย่างนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่ด้วยความหลงถ้าทำบาปแบบนี้เวลาตายไปดวงวิญญาณจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไปได้สัตว์ชนิดต่างๆที่ตนเองฆ่านะฆ่าเป็ดก็จะไปได้เกิดได้ร่างกายของเป็ดฆ่าไก่ก็ได้ร่างกายของไก่ฆ่าวัวฆ่าควายก็ได้ร่างกายของวัวของควาย เพื่อที่จะได้ให้เขากลับมาฆ่าเรานั่นเองพ อ, อไปเป็นเป็ดเป็นไก่เดี๋ยวเาก็จับไปคนที่เขาเห็นเป็ดไก่เป็นอาหารเขาก็จับไปฆ่าไปกินนี่คือทําบาปด้วยความหลงเี่ยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ ถ้าไม่ทำบาปแล้วจะไม่ได้ถ้าไม่โกงไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ไดไ้อย่างพวกที่ทำพวกแชร์ต่างๆแชร์ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยชอบหลอกลวงเอาเงินชาวบ้านมาเอามาใช้ตรงนี้ท่านบอกว่าถ้าทำบาปด้วยความโลภจะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตเปรตนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหย เพราะว่าปากเท่ารูเข็มท้องเท่าตุ่มน้ำกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอหิวอยู่ตลอดเวลาหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะความโลภทำบาปด้วยความโลภความโลภนี้ยิ่งทำมันยิ่งโลภนะไม่ใช่ยิ่งจะไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้อิ่มให้พอได้คือปั๊บก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วา ได้ร้อยก็อยากจะได้พันนะพอได้พันทีนี้ก็อยากจะได้หมื0 0นะมันจะอยากไปเรื่อยๆมันไม่เคยทำให้เกิดความพอถ้าไม่พอมันก็หิวเลยมันก็หิวโหวยอยู่เรื่อยพอตายไปดวงวิญญาณที่จิตใจที่ไม่เคยอิ่มไม่มีความอิ่มความพอเพราะมีแต่ความโลภความหิวโหวยมันก็ทําให้เป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย เพราะตอนนั้นไม่มีอะไรให้กินแล้วหาอะไรมาไม่ได้อย่างน้อยตอนเป็นมนุษย์ยังหาได้หาได้ร้อยไม่พอก็หาพันหาไม่พันไม่พอก็หาหมื่นแต่พอไปเป็นดวงวิญญาณหาอะไรไม่ได้มีแต่ความหิวโหวยเขาเรียกก็เปรตดวงวิญญาณชนิดที่สามทำบาปเพราะความกลัว กลัวจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนป้องกันตัวเองกลัวมดก็ฆ่ามดกลัวยุงก็ฆ่ายุงกลัวอะไรก็ฆ่ามันพวกนี้ก็จะมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดผวาเวลาไปเวลาไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวพวกที่สี่ พวกที่ทำบาปด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมร่างแค้นกันพวกนี้ก็จะไปอยู่ในนรกเนี่ยจะเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทคอยสังเกตดูเวลาเราโกรธใครนี่กินได้ไหมนอนหลับั้ยจองร้านจองเวรจองกรรมกันตาต่อตาฟันต่อฟัน พอไปทำร้ายเขาแล้วทีก็มากลัวเขาจะมาทำร้ายเราอีกไงก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเองมีทั้งหวาดกลัวมีทั้งอาการพยาบาทเครียดแค้นนี่คือที่ใบใช้นี่ของผู้ที่ทำบาปด้วยวิธีสี่วิธีทำบาปด้วยความหลงทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัว ทำบาบด้วยความมาฆาตพยาบาทฉะั้นถ้าไม่อยากจะต้องไปเป็นดวงวิญญาณเหล่านี้ก็อย่าทำบาปวิธีไม่ทำบาปก็คือให้รักษาศีลวิธีที่จะรักษาศีลได้อย่างปลอดภัยก็คือต้องไม่เสพอบายามุขด้วย พอถ้าไปเสพอบายามุขแล้วมันจะทําให้ไปทําบาปได้ง่ายอออืบายามุขก็มีอยู่ห้าดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะเกียดข้านแล้วคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยถ้าชอบคบกับคนกินเหล้าคนชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าคบกับคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว ครบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันครบกับคนที่เกียรติค้านเขาก็จะชวนเราไปเกียรติค้านถ้าเราไปเสพบาบายามุกแล้วเราก็จะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้จะทําไง เมื่อเราไม่ได้ทำงานเรามมวแต่เที่ยวเมียแต่เล่นการพนันโมวแต่ดื่มสุลามมวแต่เกียดค้านเราก็ต้องไปหาโดยวิธีทำบาปนั่นเองก็ไปลักขโมยบ้างไปช่อโกงไปหลอกลวงหรือบางทีก็ไปป้นไปจี้ถ้าเกิดการต่อสู้ก็ต้องมีการฆ่าฟันกัน ดังนถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องไม่เสพอาบายามุกด้วยแล้วจะปลอดภัยกว่าคนที่เสพอาบายามุกเนี่ยนี่คือทําไมชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าถึงสอนอย่าเสพอาบายามุกกันถึงแม้มันจะให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียๆแล้วมันจะมีความทุกข์ตามมาเวลาที่เงินทองไม่พอใช้เนี่ย จะต้องไปทำบาปแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางแล้วตายไปก็ยังต้องไปใช้บาปต่อในอบายนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรสร้างกันไม่ควรมีกันคือนี่สินภายในหรือโทษภายในใจ ที่เกิดจากการทำบาปที่เกิดจากการเสพอบายมุขต่างๆแล้วถ้าเราอยากจะไปสบายไปสวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องทําบุญด้วยทาบาปี่ไม่ทาบาปอย่างเดียวนี้ไม่ส่งเราไปสวรรค์เพียงแต่กันไม่ให้เราไปอยู่ในอบาย เราได้อย่างมากก็คือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยไม่ได้ทำบุญเลยบาปก็ไม่ดึงเราไปอยู่ในอบายบุญก็ไม่สามไม่มีบุญจะส่งเราไปสวรรค์ก็มีที่เดียวที่เราจะไปก็คือไปเป็นมนุษย์ต่อไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราได้ทำบุญ ก่อนที่เราจะไปเป็นมนุษย์เราจะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนนบุญนี้จะเป็นเหมือนเงินที่เราจะไปใช้ท่องเที่ยวกันในสวรรค์สวรรค์ลโลกทิพย์ก็มีสวรรค์มีที่ท่องเที่ยวเหมือนกับที่ท่องเที่ยวเราไปเที่ยวตามต่างประเทศเนี่ยตอนที่เราไม่มีดวงวิญญาณเราท่องเที่ยวอย่างไรเราท่องเที่ยวด้วยมโนาพาธ มโนภาพที่มีอยู่ในใจเราเมือนกับตอนเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยบางทีเราก็ไปท่องเที่ยวกันใช่ไหมเราฝันว่าเราไปนู่นไปนี่ไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปอยู่กับคนนั่นไปอยู่กับคนนี้มีความสุขจากจากมโนภาพนั่นแหละใจของเรามันจะหาความสุขด้วยการหามโนภาพดีๆมา มาให้มันชมเวลาตอนที่ไม่มีร่างกายไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไหนมาไหนได้ก็ลเลยต้องอาศัยมนโนภาพมนโนภาพนี้มาจากที่ไหนก็มาจากตอนที่เราไปทำบุญทำความดีกันเวลาเราไปทำบุญทำความดีเราจะมีความรู้สึกมีความสุขกันแล้วความรู้สึกดีๆเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ในใจของเรา เวลาที่เราไม่มีร่างกายหรือไม่ได้ใช้ร่างกายเช่นตอนนอนหลับหรือตอนที่ร่างกายตายไปแล้วใจก็จะใช้มโนภาพที่ดีมาผลิตเรื่องราวที่ดีให้เราได้สัมผัสเนี่ยให้เราได้ฝันดีฝันว่าไปเป็นเศรษฐีฝันว่าไปเป็นดาราภาพยนตร์ฝันอะไรต่างๆที่ดีที่งามทั้งหลาย นี่ก็คือสภาพของดวงวิญญาณในขณะที่ไม่มีร่างกายมันจะอยู่กับมโนภาพเนียถ้าไปทำบาปมันก็จะบันเทกมโนภาพที่ไม่ดีไว้และเวลามันไม่มีร่างกายมันเป็นดวงวิญญาณมันก็จะมีแต่มโนภาพที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวมัมีแต่เรื่องราวหดอยากขาดแคลนหิวโหย อันนี้ก็เกิดจากผลที่เราไปบันทึกภาพไม่ดีไว้ด้วยการกระทำบาปต่างๆตอนที่เรามีชีวิตอยู่ อ, อตอนที่เราไม่มีร่างกายมโนภาพเหล่านี้มันก็จะมาสะแสดงในใจของพวกเราถ้าเราบันทึกมโนภาพที่ดีก็มีแต่เรื่องที่ดีให้เราได้สัมผัสรับรู้ถ้าเราไปบันทึกเรื่องไม่ดีไว้ ไปทำบาปทำกรรมไปทารุณกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมโนภาพไม่ดีมันก็จะมาโผ้วมันก็จะมาพลิกกลับว่าเรากลายเป็นคนถูกให้เขาฆ่าเคยฆ่าอะไรนี่มันก็จะพลิกกลับมากลายเป็นเขามากลับมาฆ่าเรา mm hmm. น, นี่คือวิธีที่เราจะเสพผลบุญผลบาปกัน ตอนที่เราไม่มีร่างกายเราเสพด้วยมโนภาพเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี่ร่างกายก็ตายแบบชั่วคราวนอนหลับร่างกายไม่ขยับทไม่ทำอะไรแต่ใจยังอยากหาความสุขหาเรื่องอยู่มันก็จะไปหาจากมโนภาพที่ได้บันทึกเอาไว้ในตอนที่ได้ทาบุญหรือทำบาปถ้า ได้ทำบุญมันก็จะมีแต่มโนภาพที่ดีมาให้ได้เสพได้สัมผัสถ้าไปทำบาปมันก็จะมีแต่มโนภาพที่นา่าที่ไม่ดีมาให้เสพให้สัมผัสเนี่ยคิดดูนี่คือวิธีที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้ว ขณะที่เรานอนหลับนี่มันก็ยังเป็นเดี๋ยวเดียวฝันเดียวเดียวเดี๋ยวก็ตื่นแต่ขนาดฝันเดียวเดียวมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจเรามากเวลาฝันดีตื่นขึ้นมานี่ไม่อยากจะตื่นเลยอยากจะกลับไปฝันต่อพอกลับมาแล้วกลับมาตื่นแล้วชีวิตที่ตื่นมันสู้กับขณะชีวิตที่ฝันไม่ได้ ในขณะเดียวกันเวลาทับฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็โอยไม่อยากจะกลับไปนอนอีกเลยกลัวเจอเรื่องราวที่ไม่น่าไม่น่าดูน่าชมบางคนตื่นขึ้นมานี่เหงือแตกพักก็ไม่ฝันว่าถูกคนเขามาล้มมาลุมทําร้ายมาคอยไล่ฆ่าไล่ฟันนี่ตื่นขึ้นมาแล้วมันโหยมันมีความทุกข์มาก แล้วเชื่อไหมเวลาที่เราฝันเนี่ยเวลาที่เราเป็นดวงเวีย ญ, ญานี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะงั้นตอนที่ฝันนี่เราคิดว่าเรากำลังอยู่ในเหตุการณ์จริงนั่นแหละงั้นอย่าไปคิดว่าเรื่องของความฝันนี่เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่มันเป็นไม่ไม่มีผลกระทบ ม, มันมีแต่เราไม่รู้ตอนที่เราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันเราจะมารู้หลังจากที่เราเตื่นขึ้นมาเท่านั้นว่าอ๋อเมื่อกี้นี้ฝันดีเนาะอ๋อเมื่อกี้นี้ฝันลายเนาะแต่ที่ตอนฝันจริงๆนี่คือมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะหิวก็หิวจริงๆทั้งๆ ท, ที่ไม่มีร่างกายให้กินอาหารมันก็หิว ถ้าอิ่มมันก็อิ่มมันก็ได้ไปกินเลี้ยงกับบ้านเางี้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีร่างกายกินแต่จิตมันกินจิตจิตมันกินตามโมภาพของมันดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่สุขเรื่องที่สบายก็ต้องพยายาม ทำแต่เรื่องที่ดีไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทําบุญแล้วมันจะมีเรื่องที่ดีเพราะเวลาทําบุญแล้วมันทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจดีใจ เ, เวลาฝันก็จะฝันเรื่องที่จะทําให้เรามีความสุขใจดีใจสบายใจอิ่มใจ เ, เวลาตายก็เหมือนกันเวลานอนหลับหรือเวลาตายนี่เหมือนกันะเพียงแต่นอนหลับนี่ตายชั่วคราว ถ้าตะถ้าตายถ้าตายไม่หายใจนี่ตัวตายจริงก็ตายยาวแตยก็ไม่ตายไปตลอดเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะดวงจิตเรานี่ยังมีตัวที่จะฉุดล่างให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆตัวที่จะฉุดล่ากจิตของพวกเราให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆคืออะไรก็คือกิเลสตัณหาของเรานี่ยนะ เรายังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็ต้องดิ้นไปหาร่างกายเพราะร่างกายมันมีตาหูจมูกลิ้นกายให้เราใช้เป็นเครื่องมือนั่นเองเห็นพอหลังจากที่เราไปรับผลบุญผลบาป บ, บทแล้วทีนี้ใจของเราก็จะไปเข้าคิวรอรับร่างกายไปรอหาพ่อแม่คนใหม่ พ, พ่อแม่คนใหม่แต่งงานเขานอนหลับน่วมกันเดี๋ยวเขาก็สร้างร่างกายใหม่ขึ้นมาพอมีร่างกายใหม่ขึ้นมาเราก็ไปเกาะติดที่ร่างกายนั้นเลยไปไปเชื่อมไม่ได้ไปอยู่ในร่างกายเป็นเชื่อมเราส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายพอคลอดออกมาก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ พอเราได้ร่างกายอันใหม่นี้ก็เหมือนเราตื่นจากการหลับที่ยาวนานตอนที่เราตายก็เหมือนกับตอนที่เราไปนอนหลับแต่พอพอเราได้ร่างกายอันใหม่คลอดออกมาชักท้องแม่ปุ๊บเราก็ลืมตาขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมาตื่นด้วยร่างกายอันใหม่เวลาหลับนี่เราหลับด้วยร่างกายอันเก่าแล้วตื่นด้วยร่างกายอันเก่า แต่เวลาตายนี่เราหลับแล้วเวลาเราตื่นนี่เราจะได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่ายนันเราไม่อยา่าไปกลัวตายเราควรจะดีใจว่าการตายนี้เป็นการไปอไปเปลี่ยนร่างกายไปเสมความงามไปทําความสวยใหม่ร่างกายเก่ามันเหี่ยวย่นไปหมดแล้วใช่หไหมผมงอกแล้ว ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ดีกว่าฉนั้นไม่ควรจะกลัวตายถ้าเราเข้าใจความจริงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆเราอยากจะดูอะไรเราก็ต้องมีตาเราอยากจะฟังอะไรเราก็ต้องมีหู อยากจะดื่มอยากจะลิมรถ อ, อะไรก็ต้องมีลิ้นอยากจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะสัมผัสอะไรที่นุ่มที่แข็งก็ต้องมีร่างกายเราก็เลยต้องใช้ร่างกายพอร่างกายเก่ามันหมดสภาพเหมือนรถยนต์นะเวลารถเก่าพังลรวทำไ ง, งคนขับไม่ได้พังไปกับรถยนต์ในชะ่ไหมคนขับก็ไปหารถใหม่ไปซื้อรถใหม่ จะซื้อรถ ด, ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่มีเงินหรือเปล่าถ้ามีเงินก็จะได้ซื้อรถที่ดีกว่ารถเก่าถ้ามีเงินชาหน้ากลับมาเกิดจะดีกว่าเก่าถ้าทำบุญไว้เยอะชาหน้ากลับมาจะได้ร่างกายที่สวยกว่าเก่าที่ดีกว่าเก่าที่มีอายุยืนยาวนานกว่าเก่าถ้าเป็นนี่ไปทำบาปกลับมาเกิดใหม่นี่จะได้ร่างกายที่ไม่ดีกว่าเก่า จะได้ร่างกายที่อับพับผิวค้ำดำรูปร่างไม่สวยงามามีโครคภัยไข้เจ็บติดตัวมาพิกลพิการเนี่ยอาการไม่ครบสามสิบสองเนี่ยอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปทำบาปแล้วไปรับใช้รับผลบาปใช้ผลใช้กรรมในอบายพอหมดกรรมเขาปล่อยออกมาจากคุกเขาให้เรากลับมาเกิดใหม่ ก็มาเกิดแบบคนอาภาัพวาสนาคนยากจนยากแลลนแค้นคนไม่สวยไม่งามเนี่ยนี่เป็นผลที่เกิดจากการไปทำบาปทำบาปนี่มีผลตั้งแต่เริ่มทำเลยพอทำบาปปั๊บไม่สบายใจละทุกข์ใจละตายไปก็ไปเป็นไปเป็นดวงวิญญาณหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่ได้ร่างกายที่สวยงามได้ร่างกายที่ไม่สวยไม่งามไม่สมประกอบบางทีอาการก็ไม่ครบสามสิบสองหูหนวกบ้างตาบอดบ้างแขนขาดบ้างขาขาดบ้างอายุ ก, ก็ไม่ยาวไม่ยืนยาวสุขภาพก็ไม่แข็งแรงมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆ นี่คือผลที่เกิดจากการไปทำบาป พ, พวกที่ไปทำบุญเวลากลับมาเกิดใหม่ก็จะกลับมาเกิดด้วยวาสนามีลูกล่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสม่การครบสามสสองมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุยืนยาวนานมีทรัพย์มังเกิดมาเกิดเป็นลูกของ เสรษฐีของคนมีเงินมีทองออนี่คือความจริงที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรู้แม้ตัวของพระ อ, องค์เองท่านก็ทรงรู้เช่นก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็รู้ว่าท่านเป็นพระเวสสันดรมาก่อนอตอนที่ท่านเป็นพระเวสสันดรท่านก็ทำบุญแบบสุดๆชอบทำบุญทำบุญแล้วมีความสุข ใครเดือดร้อนใครอยากจะได้อะไรถ้ามีให้ยกให้เขาไปเลยให้เรามีความสุขความเก็บเอาไว้มีเงินเก็บไว้ในกระเป๋ามันไม่มีความสุขหรอกพอยกให้คนอื่นแล้วโอ้ยเบาอกเบาใจสบายใจมีความสุขเห็นเขามีความสุขจากการเสียสละของเราเนี่ย แม้ตัวเองจะอยู่แบบไม่ร่ำไม่รวยแต่มีความสุขใจมากกว่าอยู่แบบร่ำรวยอยู่ร่ำรวยแล้วเครียดกับเงินทองต้องคอยกังวลว่าเงินจะหายหรือไม่หายดอกจะขึ้นหรือจะลงวุ่นวายไม่มีความสุขซื้อเอาเงินไปใช้ทําบุญดีกว่าทำบุญแล้วสบายอกสบายใจนะพระเวสสันดรท่านถึงทำมีเท่าไหร่ทําหมดใคอยากจะได้อะไรยกให้หมดขอลูกยังให้ไปเลย ถ้ามาขอภรรยาก็จะให้เนี่ยวันีเทวดามากันไว้ก่อนเ <laughs> พราะท่านมีความสุขจากการให้เนี่ยพอตายไปดวงวิญญาณท่านก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตหรือชั้นดาวดึงเนี่ยแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีรูปร่างสวยงามมีบารามี ออกมาจากท้องแม่ก็เดินได้เจ็ดเก้าเลยครับพระเจ้าพ่อของพระพุทธเจ้านีเา้เกิดความอัศจรรย์ใจเลยต้องไปเรียกหมอดูมาทํานายว่าลูกของเราเป็นยังไงวะอนาคตเนี่ยหมอดูก็บอกว่าถ้าอยู่คลองราดเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะไปเป็นมหาจากักรพรรดิเนี่ยถ้าออกบวชก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเ น, เนีนี่คือบารมีของการทําบุญน ยิ่งทำมากยิ่งได้บานเลยมีมากได้บุญมากเวลากลับมาเกิดใหม่นี่จะร่ำจะรวยจ้าชายเสด็จ ธ, ธัตมีปราสาทสามฤ ด, ดูมีบอยสัตว์บริวารคอยมาให้แสดงกะโมโหรสบันเทิงต่างๆมารับใช้มีอาหารของกินของดืง่มของใช้มากมายกายกองที่ละเอียดที่ประณีตนะนี่คือ เรื่องของทรั์ภายในที่พวกเราควรที่จะเชื่อว่าเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่มาหลอกเราหรอกแล้วเราก็สามารถที่จะสัมผัส ร, รับรู้ได้เพียงแต่พูดเล่าให้ฟังนี้มันก็เป็นเรื่องที่ค้านกันไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนต้องให้คนที่เขาคิดเป็นมาคิดม า, มาบอกเราให้เรารู้ว่า มีทรัพย์อีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เพียงแต่เพียงแต่ทรัพย์ภายนอกมีทรัพย์ภายในแล้วก็เป็นทรัพย์ที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะเราเอาติดตัวไปได้เนีส่วนนี่ก็อย่าอย่าเอาติดตัวไปอย่าไปสร้างนี่อย่าไปทําบาปนทําแต่บุญเอาสร้างทรัพย์ภายในไปทรัพย์ภายในก็มีหลายระดับด้วยกันนอกจาก สวรรค์ชั้นเทพแล้วยังมีสวรรค์ชั้นพรหมอกีกสูงกว่าเทพก็คือพรหมแล้วสูงกว่าพรหมก็มีพระอริยเจ้าอกีกพระโสดาบันพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยที่พวกเราสามารถอซื้อตัว๋วหรือตีตั๋วไปได้จองตั๋วได้ตีตั๋วทำบุญชนิดต่างๆ ชาทำบุญทำทานบริจาคข้าวของเงินทองเนี่ยทำช่วยเหลือผู้อื่นให้เขามีความสุขบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเช่นไปทำบุญถวายสังฆทานไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนช่วยเหลือคนยากจน เวลามีไฟไหม้น้ำท่วมก็ช่วยการบริจาคข้าวของเงินทองนี่คือวิธีทาบุญต่างๆที่จะส่งให้เราไปเป็นเทวดากันไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำบุญแทนที่จะไปทำบุญทาทานเอาข้าวเอาของไปแจก เราต้องไปถือศีลอยู่วัดเนี่ยไปฝึกสมาธิทำใจให้สงบไปเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วเราถึงจะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมได้นี่ก็คือขั้นที่สูงกว่าชั้นเทพความสุขที่ทเสพจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่สู้ความสุขที่เสพจาก การเข้าสมาธิไม่ได้เวลานั่งสมาธิจิตสงบแล้วมันจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะคนถึงเข้าไปบวชกันไงเพราะบางทีเขาเบื่อกับรูปเสียงกลิ่นรสเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนอกจะให้ความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์มาให้เราด้วย เ, เวลาที่เวลาที่เราเสพไม่ได้ต่อไปเวลาเราแก่เราเ อ, อ เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะเสบรูปเสียงกลิ่นรดไม่ไนะดังนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเรามาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเสบได้ต่อเวลาร่างกายไม่สบายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เรายังเข้าสมาธิได้นั่งทรัพย์นั่ ง, งทำจิตใจให้สงบได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปกินไปดื่มก็ยังมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าด้วย อยนั้นพวกเราควรจะคิดเผื่ออนาคตไว้นะต่อไปเราจะต้องแก่กันเราจะต้องเจ็บกันต่อไปเราจะใส่การเที่ยวการการกินการดื่มไม่ได้เนยเพราะร่างกายมันมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นเราก็ต้องใช้วิธีหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบด้วยการทำสมาธิกันวิธีทำสมาธิก็ไม่ยากให้เพียงแต่พุโทโธพุทโธไปภายในใจ อให้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้หัดสวดมนต์ไปสวดมนต์แต่ต้องสวดเยอะๆสวดนานๆเนี่ยเช่นเขาบอกให้สวดอิตปิโสร้อยจบเนี่ยน้องสวดไปเพราะเวลาสวดมนต์ลแล้วเราก็จะลืมเรื่องราวต่างๆลืมเรื่องความอยากที่อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากได้นูน่นอยากมีนี่มันจะหายไปพอมันหายไปใจก็จะเบาจะเย็นจะสบายจะเกิดความสุขขึ้นมาเอ ทำให้ไม่ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปนอนกับแฟนก็มีความสุขได้ถ้ารู้จักทําใจให้ว่างให้สงบอืด้วยวิธีพุทธโธพุทธโธไปหรือสวดมนต์ไปถ้าสวดมนต์ได้แล้วพุทธโธได้แล้วขั้นต่อไปก็ดูลมหายใจได้นั่งเฉยๆหลับตาแล้วแล้วก็เพียงแต่ดูลมหายใจ ลมเข้าลมออกเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอจิตไม่คิดอะไรจิตก็นิ่งสงบ ก, ก็เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้ก็ถือว่าได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมนะถ้าตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมนะแต่สวรรค์ชั้นพรหมนี้มันก็ยังเป็นสวรรค์ชั่วคราวอยู่เพราะเดี๋ยวกำลังของสมาธิหมดมันก็ต้องเสื่อมลงมา จากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็เสื่อมลงมามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาอยู่มากินมาทำอะไรแบบที่เราทำกันอยู่ในขณะนี้ มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มันจะสุขตอนต้นตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พอบั้นปลายของชีวิตมันก็จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขเพราะต้องคอยไปหาหมออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวต้องฉีดยาเดี๋ยวต้องเจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้มีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่เบื่อกับการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย เราก็ต้องยกระดับจิตของเราให้ขึ้นสูงกว่าระดับสวรรค์ชั้นพรมเหนือสวรรค์ชั้นพรมก็มีสวรรค์ของพระอริยเจ้าสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของพระอราหันต์วิธีที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นนั้นได้ต้องเพิ่มวิธีปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาคือต้องรู้ว่า อะไรที่ทำให้ใจเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอะไรที่ฉุดให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายตัวที่มาฉุดให้ดวงวิญญาตเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือกิเลสตัณหานี่เองความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ต้องบังคับให้เรามามีร่างกายความอยากหาความสุขจากสมาธิมันก็จะบังคับให้เราต้องมาเกิดมามีร่างกาย เพื่อจะได้มาฝึกมานั่งสมาธิกันฉะนั้นเราต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปด้วยการเวลาอยากจะเที่ยวก็ไม่เที่ยวเวลาอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ดูเวลาอยากจะนอนกับแฟนก็ไม่นอนเกิดต้องไปอยู่แบบนักบวชเอยู่แบบนักบวชแล้วก็อาศัยความสงบเป็นเครื่องอยู่ไปพังๆก่อนแล้วพอมีกำลังก็ ตัดแม้กระทั่งไม่ต้องอาศัยความสงบอยู่แบบไม่ต้องมีความอยากแล้วจิตมันจะมีความสุขมากกว่าเ <c oughs> พราะมันจะเป็นความสุขแบบที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสงบที่แบบไม่มีวันเสื่อมคือความสุขที่เกิดจากการได้ตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป <c oughs> ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นนดตัดความอยากในความสงบต่างๆ <c oughs> แล้วใจก็จะ <c oughs> ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกแบบที่พวกเรากำลังต้องทุกข์กันอยู่แบบนี้แล้วจะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะร่างกายของเรามันก็จะอ่อนกำลังลงไปความสามารถ ในการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายมันก็จะน้อยลงไปถ้าเราไม่มีวิธีสำรองหาความสุขอีกแบบหนึ่งเราจะทรมานใจมากคนบางคนถึงมักจะคิดฆ่าตัวตายกันเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็ไม่รู้จะเก็บมันไว้ทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าแต่การฆ่าตัวตายนี้มันเป็นการแก้ปัญหา ช่วข่าวเท่านั้นตายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เดี๋ยวเจอปัญหาแบบเดิมก็ฆ่าตัวตาย ว, วิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขอย่าหาความสุขจากร่างกายเพียงอย่างเดียวให้หัดมาหาความสุขจากจากการทาใจให้สงบ เหมือนสมัยนี้เขาฉลาดรถยนต์เขามีมีวิธีขับเคลื่อนสองวิธีมีใช้ทั้งน้ํามันมีใช้ทั้งแก๊สด้วยะถ้าไม่มีน้ํามันก็ยังใช้แก๊สต่อได้ถ้าใช้อย่างเดียวพอไม่น้ํามันหมดก็จอดไปไหนไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันเราอย่าหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายอย่างเดียวเราต้องมาหัดหาความสุขผ่านทาง ทางจิตใจด้วยการทําใจให้สงบโดยการหัดไปอยู่วัดกันบ้างเนไปหัดอยู่วัดไปถือศีลแปดเนี่ยเป็นนั่งขาวห่มขาวจะได้ไปหัดไหว้พระสวดมนต์ไปหัดนั่งทําสมาธิกันแล้วพอเราทําเป็นแล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรไม่สามารถหาความสุขได้เราก็จะใช้วิธีหาความสุขจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งทําสมาธิได้แล้วเราก็จะไม่คิดฆ่าตัวตาย เพราะไม่มีความทุกข์ทรมานใจเพราะมีความสุขเนี่ยคนที่คิดฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่มีความสุขกันเขาไม่สามารถหาความสุขได้อาจจะเพราะร่างกายเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการหรือสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเงินทองเที่ยวแล้วไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่ก็ไม่มีความสุขก็จะคิดฆ่าตัวตาย แต่ถ้าเขาเคยไปฝึกสมาธิรู้จักวิธีทําใจให้สงบได้เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เขาก็หาความสุขจากสมาธิได้เหมือนกับรถยนต์เวลาน้ำมันหมดก็เปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊สแทนอย่างนี้นอกจากแก๊สยังมีไฟฟ้าด้วยมีแบตอีกอาจจะใช้ต้องสามอย่างเลยก็ได้น้ามันหมดก็ใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าหมดก็ใช้แก๊สต่อได้ก็จะไม่เดือดร้อน งั้นอย่าไปพึ่งร่างกายเพราะเราต้องรู้ว่าร่างกายมันไม่เที่ยงต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บถ้าไม่เชื่อไปดูไปเยี่ยมคนแก่ตามสถานคนชราดูอยนี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเราเขาก็เที่ยวเขาก็สนุกสนานเฮฮาเหมือนเราแต่พอเขาแก่แล้วเขาก็ไม่มีกำลังที่จะแม้แต่เลี้ยงดูตัวเองก็ยังไม่มีกาลังต้องไปอาศัยสถานสงห์เลี้ยงดู แต่เขาจะมีไม่มีความทุกข์เขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเขารู้จักทําใจให้สงบถ้าเขารู้จักไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิได้เขาก็อยู่ของเขาได้นี่คือสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมการเอาไว้เพราะว่าร่างกายของเรานี้มันจะต้องเจอวันแก่วันเจ็บและวันตายขณะที่ยังไม่ตายก็เตรียมหาความสุขจากการทําใจให้สงบไว้เวลาตายไปก็ ใช้บุญที่เราสร้างนี้เป็นเครื่องให้ความสุขกับเราขึ้นอยู่กับบุญเรามีขนาดไหนบุญขนาดเทพเราก็ไปเป็นเทพบุญขนาดพรหมเราก็ไปเป็นพรหมเนีถ้าบุญขนาดพระอริยเจ้าเราก็ไปเป็นพระอริยเจ้าถ้าได้เป็นระดับพระอริยเจ้าแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วถ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอรหรนันต์นี้ใจนี้สะอาดเพราะได้รับการชำระด้วยปัญญา คือกาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอความอยากที่เคยเป็นตัวฉุดร่างให้ใจมาเกิดอยู่เรื่อยๆมันไม่มีมันก็ไม่สามารถดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่ได้ใจก็จะไม่ต้องมาทุกกับร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆได้ร่างกายใหม่มากี่ร่างกายก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายเสมอ แต่พอไม่มาเกิดไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาเจอความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายแต่การไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าหายไปไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ได้หายไปไหนเราก็ไปเป็นเทวดากันบ้างไปเป็นเปรตกันบ้างแล้วแต่ว่าเราไปทำบุญหรือทำบาปไว้เพียงแต่ว่าเมื่อเรายังมีความอยากอยู่พอบุญหรือบาปที่เราไปรับผลนั้นมันหมดแล้วเราก็ ความอยากดึงมาเกิดใหม่ดึงมาได้ร่างกายอันใหม่แต่ถ้าเรากําจัดความอยากที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้มันก็ไม่มีอะไรจะมาดึงให้เราเกิดเราก็อยู่ในโลกทิพย์ต่อไปสบายกว่าอยู่มามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน สู้อยู่ในโลกทิพย์ดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าอยู่แบบเทพก็ยังต้องเสื่อมอยู่แบบพรหมก็ยังต้องเสื่อมต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่เสื่อมก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขสุดยอดความสุขอันสูงสุดที่เรียกว่าบัลมมาสุขอันนี้เป็นความสุขที่พวกเราสามารถสร้างกันได้ถ้าเรา เมื่อเราปฏิบัติถึงขั้นสวรรค์ชั้นผมแล้วคือได้สมาธิแล้วเราก็มาหัดใช้ปัญญากันพิจารณาว่า ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดต่อไป ต, อต้องหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากเที่ยวอยากหาความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้หยุดความอยากจะหาความสุขแม้จากสมาธิก็ไม่หาเพราะสมาธิก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขได้จากร่างกายก็เป็นความสุขชั่วคราวตัดความอยากเหล่านี้หมดแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิด ในพบต่างๆแล้วก็จะเป็นจิตที่ไม่หิวอีกต่อไปเป็นจิตที่อิ่มตลอดเวลาเป็นจิตที่มีความสุขตลอดเวลาอนนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเร า, เามาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้เรียนรู้ว่านอกจากทราบภายนอกแล้วยังมีทราบภายในที่เรายังต้องสร้างกัน เพราะว่าทรัพย์ภายนอกนี้เราใช้ได้เพียงชั่วคราวใช้ได้ชั่วขณะที่เรามีร่างกายเท่านั้น แต่พอหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่เราต้องอาศัยทรัพย์ภายในเหมือนกับว่าเรารู้ว่าต่อไปบ้านเมืองเราจะเกิดสงครามเราอยู่บ้านเมืองไม่ได้เราต้องอบพยพไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเตรียมเงินของต่างประเทศเอาไว้พอถึงเวลาไปต่างประเทศก็มีเงินให้เขาดูเขาก็ให้เข้าประเทศได้อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราเตรียมบุญน้อยบุญชนิดต่างๆบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญามันก็จะส่งให้เราได้ไปอยู่ที่มีแต่ความสุขมีความสุขแบบชั่วคราวกับมีความสุขแบบถาวร อ, อันนี้เป็นสิ่งที่พระเ จ, จ้าทรงนำม า, มาสอนพวกเราเพราะรู้ว่าพวกเราไม่รู้เรื่องเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เพราะเรามองเห็นแต่เพียงร่างกายของเราเท่านั้นเราคิดว่าเรามีเพียงร่างกายแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเราหายไปไหนหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ว่าเราไม่หายไปไหนเราต้องไปอยู่ต่างประเทศกันนั้นเราต้องเตรียมเงินที่เราต้องเอาไปใช้ต่างประเทศกันเงินเงินที่เราจะใช้ต่างประเทศก็คือบุญบุญที่เกิดจากการทาทานบุญที่เกิดจากการ รักษาศีล น, นั่งสมาธิบุญที่เกิดอาการฟังเทศฟังธรรมให้มีปัญญาแล้วเราก็จะได้มีบุญไว้คอยเลี้ยงดูเราตอนที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ด้วยความสุขไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังกิบะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิตโยวิวาจันตุ สัพพโรโควินาศสัตุมัเตภวัตโตนตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาธนศีลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลั ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วมันจะไม่สะดวกเพราะต้องทำอะไรอย่างอื่นีหลายอย่างด้วยกันเห็นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง facebook เข้ามา 573, youtube 410, วิทยิวออนไลน์15รับฟังข้างบนนี้81คนรวมทั้งหมด 1,079 ครับคำถามจากข้างบนนี้นะครับการที่ผมเจริญสติประจำวันด้วยการดูกายการเคลื่อนไหวบางครั้งก็รู้สึกตัว ด้วยลมหายใจบ้างแบบนี้ถูกไหมครับและบางครั้งเห็นความคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเช่นเห็นมันร้องเพลงเองเราควรจะดูเฉยๆหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่ควรให้มันคิดเป้าหมายของการเจริญสติก็เพื่อให้มันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามให้มันอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่กับเรื่องเดียวได้อย่างเต็มที่มันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างนี้มันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้ามันคิดได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้อยู่กับพุโทโธอย่างเต็มเต็มที่ก็ต้องพยายามฝึกพุโทโธไว้หรือสวดมนต์ก็ได้หรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าเราจดจ่ออยู่กับงานเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเราจะไปคิดเรื่องอื่นนั้ น, นมันจะคิดไม่ได้ คำถามจากคุณเพชรการเพ่งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่หน้าผากหรือเพ่งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ที่อกได้หรือไม่ครับพร้อมกับบริกรรมพุทโธไปด้วยพร้อมกับรู้สึกตรงที่เพ่งไปด้วยได้หรือไม่ครับไม่ควรจะไปเพ่งตรงที่เหล่านั้นเพราะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะหยุดให้ใจไปไม่คิดเนี่ยควรจะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกด้วยการดูลมหายใจเข้าออกถ้าจะเพ่ง หรือถ้าจะใช้พุทโธก็ให้เพ่งอยู่คำว่าพุทโธอย่างเดียวก็พออย่าไปให้มันอยู่สองที่อยู่พุทโธแล้วอยู่ที่เพ่งด้วยควรจะให้อยู่เรื่องเดียวดีกว่าถ้าเป็นไปได้คำถามจากคุณแมมโลกที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นโลกที่เกิดจากความคิดใช่ไหมเจ้าคะถ้าหยุดความคิดได้โลกนี้ก็ไม่มีจริงโลกนี้เขามีจริง เป็นแต่ความคิดของเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราคิดอีกเรื่องหนึ่งความคิดของเราเราแปลเรื่องของโลกนี้เป็นไปตามความคิดของเราใช่บางทีความคิดของเรากับเรื่องของโลกนี้มันคนละเรื่องกันเราไปคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปคิดว่ามีเรามีเขาออันนี้ไม่ใช่เรื่องของโลกนี้ เรื่องของโลกนี้จริงๆคือเรื่องเรื่องของดินน้ําำลมไฟโลกนี้ทํามาจากดินน้ําำลมไฟโลกของอันนี้จังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงแต่ความคิดของเราไปคิดว่ามีเรามีเขามีรวยมีจนมีสูงมีต่ํำอันนี้เป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหันมาคิดให้มันตรงกับความเป็นจริง คิดว่าโลกนี้เป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟนะั้นไม่มีอะไรเราไปหลงมันเองแล้วก็ไปตีราคาว่าเป็นกี่ล้านกี่บาทกี่หมื่นกี่พนันจริงมันก็เป็นดินเพชรก้อนใหญ่ขนาดไหนมันก็มันก็เป็นดินบรรทัดดินน้ำเดิมะจะขวดละกี่แสนมันก็เป็นน้ำเราไปสมมุติมันขึ้นว่ามีราคาตั้งราคาแล้วมีคนโง่ามาซื้อก็ ก็เลยขายได้อย่างนี้มีศิละปะเนี่ยเห็นไหมวาดภาพบรรดูเราไม่รู้เป็นภาพอะไรแต่ขายได้เป็นแสนเป็นล้านเนมื่อไรแล้วนี้ข้ากล้วยหอมไปไบผุกใแปะติดไว้กักบกำแพงวันนี้ก็คือภาพแล้วก็มีคนโง่ไปซื้อหมดไปหลายหลายแสนเือนกั น, นมันก็อยู่ที่ความคิดของคนถ้าคิด ว, ว่ามันวิเศษเป็นของแปลกก็เลยอยากจะได้ขึ้นมา อันนี้ที่มันอยู่ที่ความคิดของต่างๆมันจะถูกมันจะแพงมันอยู่ที่ความคิดของคนที่ไปเชื่อว่ามันแพงหรือมันถูกใหม็มไกระเป๋าเราไปไปไปแปะ ป, ป, ป, ป้ายหน่อยให้กลายเป็นของแพงขึ้นมาเล่ยพอป้ายนั้นหลุดหายไปกลายเป็นของถูกขึ้นมาทันทีนะตอนนั้านี่กระเป๋ามันก็ทำมาจากโรงงานนันเดียวกันนั่นแหละแต่พอมีป้ายหน่อยแค่น้โอ้โหกลายเป็นของมีราคาขึ้นมา พาไม่มีป้ายแล้วกลายเป็นของถูกไปแล้วนันอยู่ที่ความคิดนะความเป็นจริงมันก็แค่เป็นแค่ธาตุดินนะกระเป๋ามันก็เป็นธาตุดินเขาอะไรที่เป็นของแข็งนี่ก็เรียกว่าธาตุดินอะไรที่เป็นของเหลวก็เรียกว่าธาตุน้ําอะไรที่เป็นนมก็เรียกว่าธาตุดมอะไรที่เป็นร้อ น, นก็เรียกว่าธาตุไฟก็มีเท่าเนี้นในโลกนี้บางทีทั้งสี่อย่างมันก็มารวมกัน มารวมกันมาสมปรุงแต่งกันเหมือนทำกับข้าวเอากับเอาผักเอาหมูเอาอะไรมาผัดมันก็เป็นกับข้าวขึ้นมาพอคนเอาพอธรรมชาติเอาดินน้ำลมไฟมาปนกันมันก็เกิดต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาเกิดร่างของคนร่างของสัตว์ขึ้นมาเดี๋ยวแล้วพอมันตายมันก็แยกกลับคืนไปสู่ธาตุของมันดินน้ำลมไฟมันก็แยกกลับคืนสู่ที่เดิมของมัน นั้สรุปแล้วถ้าถ้าคิดตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรของต่างๆที่เป็นเป็นชั่วข่าวร่างกายต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆเป็นชั่วข่าวเดี๋ยวก็พังไปศาลาหลังนี้อีกอีกร้อยปีกลับมาดูสิมันจะอยู่อย่างนี้ไหมดูกรุงสุขโขทยัยดูกรุงศรีไปดูอของเก่าๆทั้งหลายเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นของใหม่ทั้งนั้นอ่ะของสวยของงาม แล้วในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นซากปล่หักมักพังไปกลับกลกลับคืนสู่สภาพเดิมของมันอะไรที่มารวมกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกตัวกันไปที่เหลือก็อะไรเป็นส่วนที่เราเห็นมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำมันก็ละละเหยไปบ้างละลายไปบ้างธาตุลมมันก็ลอยออกไปเนี่ยร่างกายของคนเราพอตายไปลองปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึง ตอนต้นมันก็เน่าเปื่อยพองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็แห้งกรอบพอน้นําในร่างกายต่างๆหายไปหมดก็เหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เนื้อที่แห้งกรอบไปทิ้งไปสักพักก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือความจริงของโลกนี้ ส่วนความคิดของเรานี่เราก็คิดไปตามที่เขาสอนให้เราคิดกันว่านี่เป็นพ่อนี่เป็นแม่นี่เป็นเรานี่เป็นเขานี่เป็นเงินนี่เป็นทองนี่เป็นเพชรถ้าดูจริงๆมันก็เป็นแค่ธาตุนะมันไม่มีราคาสมัยก่อนเพชรมันกม็มันก็มีอยู่ในโลกนี้มาตั้งนานถ้าไม่มีมนุษย์มาคนพบมันมันก็ไม่มีคุณค่าราคาอะไร แต่พอไปค้นมันพบว่าโอ้ยมันเป็นของแปลกเอามาเจรนายแล้วดูโอ้ยเป็นของสวยของงามขึ้นมาของหายากก็เลยกลายเป็นของมีราคาขึ้นมาเท่านั้นเองอยู่ที่ความนิยมของความคิดของมนุษย์เราถ้าไปคิดว่ามันเป็นของมีคุณค่าแล้วเชื่อกันมันก็เลยกลายเป็นของมีคุณค่าไปนะ คำถามจากผู้ฝากถามคำถามแรกทำอย่างไรถึงจะช่วยฝึกให้ถึงการปล่อยวางถึงจุดที่กายไม่ใช่ของเราจิตของหนูยังนิ่งไม่พอหากร่างกายเจ็บจิตก็ทุกตามและไม่รู้สึกว่าไม่พอใจกับปัจจุบันพยายามจะมาอยู่กับลมหายใจ แต่ยังฝืนไม่ได้ปล่อยจริงๆเป็นคอนเซปท์ที่คิดว่าพอเข้าใจได้แต่ปฏิบัติยังไม่ได้เจ้าคะ่ะและถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะคืออาจจะเข้าใจแต่อาจจะไม่มีกําลังที่จะทาตามที่เราเข้าใจคือปล่อยไม่ได้เราต้องมาฝึกปล่อยด้วยการมาฝึกสมาธิว่าเวลาเราทาสมาธิเราจะปล่อยทุกอย่าง เวลานั่งสมาธิเราปล่อยทุกอย่างมันไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในใจเรามีแต่ความว่างก็เท่ากับว่าเราปล่อยหมดตอนนั้นอะไรจะเกิดอะไรจะดับมันก็ไม่มากระทบกระเทินใจเราเพราะใจเราไม่ไปยึดไปติดกับมันในช่วงนั้นแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไปยึดติดทันทีพอยึดอะไรแล้วมันก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไป พอมันจะจากเราไปเราก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วก็มีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดมันไม่ใช่ของเรามาแต่ดั้งเดิมเราไปหลงไปคิดว่าเป็นของเราเท่านั้นเองแล้วถ้าเรารู้คอนเซปต์นี้แล้วก็เรารู้เรามีกำลังคือมีสมาธิเราก็ปล่อยได้ต้องมีทั้งสองอย่าง มีกำลังปล่อยคือสมาธิแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือปัญญามันก็จะปล่อยวางได้ตอนนี้เรามีครึ่งเดียวมีความรู้ตามความเป็นจริงที่เกิดจากได้ยินได้ฟังนี่แต่มันไม่พอเพราะไม่มีกําลังปล่อยกําลังปล่อยคือสมาธิไม่มีเราจึงต้องมาฝึกสมาธิกัน ถ้าฝึกสมาธิได้ปับ๊บพอคิดตามความเป็นจริงปับ๊บมันก็ปล่อยได้ไม่อยากของกูไปทุกข์กับมันทำไมเนี่ยมาไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีม า, าตัวเปล่าๆ เ, เดี๋ยวก็ไปตัวเปล่าๆก็เห็นชัดๆอยู่แล้วยังไปยึดไปติดกับอะไรทำไมแล้วเอาไปได้เปล่าไม่ได้คำถามที่สองครับ เ, เรื่องที่ว่าไม่ต้องคิดแต่ให้ทำ เช่นถ้าเรามองว่าฟ้าสวยและพูดออกมาว่าสวยตอนที่พูดนั้นจิตไม่ได้อยู่กับตาที่มองอยู่กับการคิดคำพูด just being การอยู่การทำการเป็นการปฏิบัติโดยไม่คิดยากเจ้าค่ะถ้าถ้าง่ายก็เป็นอาลาหาันกันไปนหมดทุกคนแล้ว <laughs> ผมจะสอนว่าอย่าคิดให้รู้เฉย ให้เห็นอะไรก็เห็นเฉยๆเห็นเพชรก็เห็นเฉยๆอย่าไปคิดว่ามันเป็นเพชรเห็นทองก็เห็นเฉยๆเห็นอะไรก็เห็นเฉยๆเห็นงูเห็นช้างเห็นเสือเห็นอะไรก็ใอ้เห็นเฉยๆอย่าไปคิดคำถามจากคุณพิทักษ์ผมพิจารณาร่างกายโดยการยกอวัยวะส่วนหนึ่งที่สังเกตได้ชัดที่สุด ขึ้นมาพิจารณาโดยกำหนดให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงของมันโดยวิธีพิจารณาลงไปเป็นขั้นๆเริ่มจากถลกหนังออกเห็นเป็นเนื้อแดงๆ ที่ประกอบไปด้วยเส้นเอ็นต่างๆเป็นส่วนประกอบพิจารณาไปเรื่อยๆจนเหลือเพียงเพียงกระดูกและในขณะที่พิจารณาไปนั้นจิตมีความเข้าใจถึงสภาพอวัยวะนั้นอย่างขึ้นใจจนปรากฏเป็นความรู้สึกว่าอวัยวะนี้นั้นน่ารังเกยียจไม่ได้สวยงามหรือน่าหลงไหลอะไรและรู้สึก ว่าเป็นไปได้ง่ายที่จะปล่อยวางสิ่งนี้ได้ผมปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องไหมครับก็ต้องดูตอนที่ไปเจอนางในอ่างน้ำดูจะเห็นอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนี้มันไมาคิดได้เดี๋ยวเวลาไปเห็นนางในอ่างน้ำขึ้นมาจะคิดได้เปล่าตอนนี้ทำการบ้านไว้ก่อนงเตรียมไว้ก่อนจะพอไปเจอของจริงแล้วดูจะจะตลอกหนังหลอกมาได้เปล่า เห็นโครงกระดูกเห็นกระโหลกศีรษะเขาได้หรือเปล่าเห็นตับไตไส้ภุงเขาได้เปล่าแต่ต้องทำทำบ่อยๆแล้วก็ไปทดสอบดูเดี๋ยวเพื่อนชวนไปอา่าบไปอาบอบนวดก็ลองไปทดสอบดู <c oughs> ดูว่าไปถลกลมนังใน้ในอ่านได้คํา <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามกิเลสได้แก่ตันหาวิภวะ ตัหาวะวตันหาหมายถึงความอยากความไม่อยากความยึดติดใช่หรือไหมครับก็อยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เรียกภาวะตันหาอยากไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็วิภาวะตันหาก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ยากจนอยากไม่มีอะไรมาสร้างความปวดหัวให้กับเรานี่ยเราก็เรียกว่าวิภาวะตันหาอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เรียกว่าภาวะตันหา อยากเสพตามอยากเสพลูกเสียงกลิ่นแล้วก็เรียกว่าตามอาตนะคำถามจากคุณงพงศ์พิพัฒน์ถ้าเรายังใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกประกอบธุรกิจการค้าเราจะวางใจอย่างไรให้เจอกับคำว่าพอครับเช่นมีสิบอยากได้ร้อยมีร้อยอยากได้พันเราควรตั้งเป้าหมายในการพอของเราแบบนี้ได้ไหมครับได้เราก็ทำทำบัญชีดูสิ ว่าดูว่ารายจ่ายจริงๆที่เราต้องมีเท่าไหร่เราก็ให้มันมีเผื่อเกินนิดหน่อยเท่านั้นก็พอถ้ามีมากกว่านั้นก็เอาไปทำบุญทำทานเลยถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันก็โลภเห็นตัวเลขก็อยากจะเพิ่มขึ้นไปมันก็จะอ้างนูน่น้างนี่ขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้เหตุผลความจริงว่าเราใช้จริงๆเท่าไหร่เราต้องมีเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีเกินนั้นก็ ก็อย่าเอาไปเก็บไว้เอาไปทำบุญไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอยากจะเพิ่มให้มันมากขึ้นอยู่เรื่อยๆต้องมีต้องมีลิมิตคือต้องมีมีขอบเขตของรายได้ที่เราต้องการพอเราไ ด, ได้ได้เพียงพอต่อความต้องการของเราแล้ ว, ลวเราก็หยุดตรงนั้นถ้ามีมากกว่า น, นั้นเราก็เอาไปแบ่งปันเอาไปทำบุญทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นต่อไป คำถามจากข้างบนนี้นะครับถ้าเวลาที่เราทำงานบ้านเช่นซักผ้ากวาดถูบ้าน <uf> หรือเวลาทานข้าวแล้วเราเปิด YouTube ธรรมะฟังธรรมตามไปด้วยจะได้ไหมครับหรือควรจะนั่งฟังธรรมเฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าทำอะไรก็ซมีสติอยู่กับงานที่เราทำดีกว่าได้ปฏิบัติได้สติดีกว่าฟังธรรมไปแล้วทางานไปด้วยเพราะมันจะไม่ได้สมบูรณ์ มันจะได้แบบครึ่งคร่งกลางๆเพราะใจต้องแบ่งไปสองที่อยู่ที่งานที่ทำแล้วเดี๋ยว ก, กลับมาที่เราฟังมันก็วิ่งไปวิ่งมาฟังไปดีไม่ดีก็ขาดตอนฟังอาจจะฟังผิดฟังถูกไปได้ถ้าอยากจะฟังเหมือนเด็เวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนครูเขาบอกให้ ให้หนูทำนู่นทำนี่แล้วฟังครูสอนหรือเปล่าเหมือนเวลาที่นั่งคุยกันตรงนี้ฟังทำตรงนี้บอกให้ว่าคุณอยากจะล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างไปแล้วก็ฟังไปก็ให้นั่งเฉยๆนะเพราะมันเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้จะได้เต็มร้อยมันก็ต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามเรื่องที่เราฟังอยู่ถึงจะเกิดความเข้าใจไม่ใช่ฟังไปแล้วก็ทางานไป แล้วบางทีก็อยู่กับเรื่องงานไปใช่ไหมเรื่องงานแล้วเรื่องที่ฟังก็เป็นเสียงแบกกราวเหมือนเสียงลมงนี่มันก็ฟังไม่รู้เรื่องนั้นก็อย่าไปฟังดีกว่าถ้าอยากจะฟังให้เกิดประโยชน์จริงๆกายวาจาใจต้องนิ่งนต้องอยู่กับการฟังอย่างเดียวถึงจะได้ประโยชน์ถ้าอยากจะได้ประโยชน์าา จ, ชนจากเวลาเราทํางานทําการก็ฝึกสติดีกว่า เปิสติให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่แล้วจิตจะได้ไม่ลอยไปลอยมาฟังทำแล้วมันลอยไปลอยมาครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่ทำอีกครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ที่งานมันก็พลิกไปพลิกม า, าไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างงานที่ทําก็อาจจะผิดพลาดเสียหายได้ คำถามจากคุณนกเคยทราบมาว่าในขณะที่กำลังจะสิ้นใจจิตจะมีกำลังมากหากได้ฟังพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าจะเกิดอนุสาสนีปฏิหารที่จิตดวงนั้นจะไม่ไปอบายหรือสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้จริงหรือไม่เจ้าขาและเพราะเหตุใดครับถ้าจริงคนก็ไปไปสวรรค์กันหมดตอนนี้ไม่ต้องไปเกิดอบายกันใช่ไหม ขณะมีชีวิตอยู่มีกําลังมังชายังฟังไม่ได้เรื่องแล้วเวลาจะตายมันจะไปฟังได้ได้เรื่องอะไรตอนนั้นมันมีแต่ภาวะโผงกลัวความเจ็บกลัวความตายมันจะมีกจิตกระจายย่งมานั่งฟังสัจธรรมนะใช่ไหมอ่ามันต้องดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เป็นะตอนนี้เรานั้นมีมีกําลังมานั่งฟังกันหรือเปล่าะตอนนี้มีกําลังร่างกายมีกําลังแต่กิเลสมันดึงใจไปทําอย่างอื่นหมด แล้วเวลาจะตายนี่กิเลสมันจะไม่ดึงไปหาเรื่องความเจ็บหาเรื่องความตายเลยนะมันไม่มีทางหรอกอันนั้นเป็นยกกรณีสําหรับคนบางคนอันนี้อาจจะเป็นไปได้ เ, เรียกกรณียกเว้นแต่ไม่ใช่กรณีทั่วไปบางคนมันเมื่อหมาจนตอกแล้วเหมือนหมาจนตอกแล้วมันก็ฮึดสู้ขึ้นมาะฮึดสู้ตั้งสติขึ้นมาตั้งใจฟังธรรมขึ้นมา พอฟังเข้าใจก็ปฏิบัติตามปล่อยวางได้อันนี้ก็มีพ่อของพุทธเจ้านี่ก็บรรลุธรรมเจ็ดวันก่อนตายแต่เป็นกรณียกเว้นไม่ใช่กรณีทั่วไปกรณีทั่วไปเห็นแต่โอยคลางโอยปวดหมอช่วยด้วย <c oughs> จะมีสติสตังอะไรกับการฟังเทศฟังธรรม ถ้าฟังธรรมได้บรรลุได้ก็ดีไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลใครเจ็บใครได้ป่วยก็ไปจับไปนอนฟังเทศฟังธรรมกันไปเดีเ๋ยวจะตายอย่างสงบไปไปสู่สุขติคำถามจากผู้ฝากถามาร่างกายเจ็บป่วยแต่ไม่ไปหาหมอเพราะคิดว่าถ้าเราหยุดงานก็จะขาดรายได้เพราะมีรายจ่ายเยอะครับ การทรมานตัวเองแบบนี้เป็นการทำถูกต้องไหมครับอยากให้หลวงพ่อให้สติด้วยครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการรักษาเราก็ไม่ไปทำงานถ้าไม่ไปไม่ไปทำงานไปรักษาตัว ถ้าเราต้องการเงินเราก็ไปทํางานก็เป็นทางเลือกของเราเท่านั้นเองมันจเยาทั้งสองอย่างไม่ได้นะยาวท้งเงินยาวท้งการรักษาสุขภาพพร้อมๆกันไปไม่ได้ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนจะกินกาแฟหรือจะกินน้ําชามันอยู่มีถ้วยเดียวจะจะเทอย่างไหนดีเทน้ําชากักาแฟปนกันมันก็ไม่ได้เรื่องนี่ก็ต้องเลือกเอาจะเอากาแฟหรือจะเอาชาจะเอาเงินหรือจะเอาสุขภาพ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเคยอ่อนแอและท้อแท้บ้างหรือไม่ครับเวลาที่ท่านเจอกับอุปสรรคและกิเลสที่โผม่เข้ามาแล้วท่านทำอย่างไรครับไม่เคยได้ยินว่าคำว่าท้อแท้กับพระพุทธเจ้าไม่มีมีแต่ว่าทำ ม, มากเกินไปอดข้าตรงสี่สิบเก้าวันพระพุทธเจ้านี้คาว่าท้อแท้ไม่มีมีแต่ ทำรร ม, มากเกินไปไม่อยู่เลยต้องชะลอต้องลดความเพียนลงให้มายุดสู่ทางสายกลางด้วยการเปรียบเทียบสายพินถ้าเข่งมันหย่อนเกินไปมันก็ดีดไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้สับได้แสงถ้าตึงเกินไปมันก็ขาดมันต้องอยู่ระหว่างไม่ตึงไ ม, ไม่หย่อนพอดีพอดีอดเรียวกว่ามัชชิมาทางสายกลาง คำถามจากคุณวา่าช่วงที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมจิตจะนิ่งแม้แต่ฝันก็รู้ว่าฝันฝันร้ายก็ไม่กลัวฝันดีก็เฉยๆแบบนี้ถ้าเราตายจะไปดีไหมครับแต่นานๆไปทีไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องมันก็หายไปแล้วพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับก็ <c oughs> ทำต่อเนื่องลยทำายาให้มันหายถ้าทำแบบอย่างนี้เดี๋ยวเวลาถึงเวลา ถ้าเราไม่ได้ทำมันก็อาจจะไม่มีพลังที่จะทำให้ใจไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆได้ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกผมภาวนาพุทธโธสู้กับเวทนาพยายามรวมจิตมาที่พุทธโธบางครั้งเห็นว่าจิตอิ่มอยู่ไม่ถูกกับเวทนาแต่เห็นบางครั้งสู้กับเวทนาจิตสามารถเป็นสมาธิได้ไหมครับถ้าจิตวางเฉยได้ก็เป็นสมาธิแล้วถ้าจิตไม่ไปเดือดร้อนกับความเจ็บปวดอยู่กับมันได้ก็แสดงว่ามีสมาธิ คำถามที่สองเห็นกายเป็นส่วนประกอบจากธาตุที่รวมกันคิดตามที่หลวงพ่อบอกว่านั่นคือธาตุดินน้ำลมไฟแต่พอเห็นอวัยวะบางส่วนในร่างกายนี้แตกสลายลงเป็นผงแต่ไม่เห็นดินครับเห็นเป็นผงๆดินอยู่ตรงไหนครับเอผงก็คือดินไงขี้เท่าก็เป็นดินธาตุดินมันมีหลายลักษณะดินนี่ถ้เรากดขึ้นมาเรามา มาลองมาทุบมาตามันมันก็กลายเป็นผงไปหมดฮะเห็มันก็อะไรที่เป็นของแข็งอะไรที่จับต้องไดน้นก็เรียกว่าเป็นธาตุดินทั้งนั้นอะไรที่เป็นของเหลวของเปียกแล้วก็เรียกว่าธาตุน้าอะไรที่มันมันพัดไปพัดมาเราก็เรียกว่าธาตุลมเช่นลมหายใจเข้าออกนี่ก็ธาตุลมแล้วก็ความร้อนก็คือธาตุไฟ คำถามจากผู้ฝากถามเราจะละอารมณ์ทางเพศทางกรรมอารมณ์ให้หมดไปได้อย่างไรครับก็ต้องพิจารณาส่วนความไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆจนสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังได้เห็นใครเห็นนางงามจั ก, กรวาลเห็นด า, า, าราภาพยนตร์ก็มองเห็นกระดูกเหนกระเพาะเห็นลาไส้ของเขาเห็นตับไตไส้ภูมิของเขามันก็จะทําให้ความอยาก ในการมาลมมันหายไปคำถามจากคุณลูกโปง่งในชีวิตประจำวันเราควรฝึกสติพุโทโธพุธโทโธมีสติกับสิ่งต่างๆที่ทำแล้วมีหลักอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเจ้าคะก็ะนั่งต่อเนี่ยเวลามีเวลาว่างอย่าไปนั่งดูทีวีอย่าไปเปิดมือถือดู ดูเรื่องดูราวดูวิาพากวิจาร์ดูด่ากันไปด่ากันมานั่งหลับตาตอแล้วก็ดูลมหายใจต่อเพื่อให้จิตสงบได้เต็มที่เพราะในช่วงที่เรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่จิตยังต้องทำงานอยู่ถ้าต้องการให้จิตหยุดอย่างเต็มที่จิตร่างกายก็ต้องหยุดก่อนยุดร่างกายต้องนิ่งก่อนเพระร่างกายนิ่งจิตก็แสดงว่าไม่ต้องใช้บังคับควบคุมร่างกายแล้ว ก็ใช้สติควบคุมใจความคิดอีกทีหนึง่งพอไม่คิดปั๊บจิตก็นิ่งสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าจากการดูละครดูหนังกินกาแฟดื่มดื่มกาแ ฟ, ก, าแฟกินขนมอะไรต่างๆ่างเดี๋ยววิธีหาความสุขดีกว่าพอจะดูหนังดูละครดื่มกาแฟกินขนมก็ไปพุทโธไปนั่งดูลมหายใจดีกว่า คำถามจากคุณอน้นการพิจารณาเวทนาและวิญญาณในขันห้าต้องทำอย่างไรครับออในขันห้านี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันมาเป็นทีมพิจารณาตัวเดียวก็พอพิจารณาตัวเวทนาเพราะเป็นตัวที่มันมีผลกระทบกับเรามากที่สุดพอเจอความเจ็บปั๊บนี่เราดิ้นเลย เราก็ต้องพิจารณาว่าอย่าไปดิ้นไม่ต้องดิ้นก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปอยากเราเราอย่าไปคิดว่ามันมาทำให้เราเจ็บเพราะเราไม่ได้เจ็บผู้ที่เจ็บคือร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้เท่านั้นเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเรารับรู้เฉยๆได้ไม่ต้องดิ้นไม่ต้องทุกไปกับความเจ็บได้ต้องสอนใจแบบนี้ แล้วต่อไปพอเจอความเจ็บถ้ามันจะดิ้นก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดเหมือนมึงอย่าดิน้นอยู่เฉยรู้เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่ามันเจ็บมันปวดเพราะมึงไม่ได้ปวดไปกับมันผู้ที่เจ็บที่ปวดก็ไม่ดิน้นเห็นไม่ร่างกายเขาไม่ได้ดิน้นเขาเฉยเฉยเขาไม่รู้เรื่อง นี่คือวิธีที่เราจะพิจารณาขันขันสี่ขันห้ารวมกันเนี่ยนั่งกายก็เป็นดินน้ำลมไฟมันไม่รู้สึกเดือดร้อนกับอะไรกับความเจ็บกับความตายผู้ที่ไม่ตายก็ไปเดือดร้อนแทนผู้ที่ตายผู้ที่เจ็บเท่านั้นเองต้งสอนผู้ที่ไปเดือดร้อนว่าอย่าไปเดือดร้อนแทนเขาเราทุกข์ไปแทนเขาทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขายัางไงก็ต้องตายยังไงเขาก็ต้องเจ็บ แต่เราไม่ต้องตายไม่ต้องเจ็บแต่เราไปเดือดร้อนแทนคนที่ตายที่เจ็บทำไมคนที่ตายที่เจ็บเขาก็ไม่เดือดร้อนเราบ้าอยู่คนเดียวพูดง่ายๆร่างกายก็ไม่ได้บ้าไปกับเราคำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ในการที่เรามีความเห็นต่างจากคารวาสผู้ที่บรรยายธรรมและมีคนเชื่อว่าบุคคล น, นั้นได้บรรลุธรรมแล้วห้ามปรามาตเตดขาด ถ้าหนูไม่เชื่อว่าผู้บรรยายท่านนั้นเป็นพระโสดาบันไม่เชื่อในธรรมบรรยายนั้นจะมีโทษทางศิลพัฒนะปรามาตใไหม่เจ้าคะ อ, อ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บรรยายเ็าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงล้วเ็เป็นจริงเราไม่เชื่อเขาเราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากเขาด้านั้นเองมไม่เกี่ยวกับศิลพัฒน์ปรมาตยอะไรก็แสดงว่าเรามีความเห็นต่างจากเขา และเราคิดว่าคำสอนของเขาไม่เป็นความจริงเราก็ไม่เอามาใช้เราก็ไม่ได้รับประโยชน์เท่านั้นเองถ้าคำสอนเขาเป็นจริงแลวเป็นประโยชน์เราไม่เอามาใช้เราก็ไม่ได้รับประโยชน์เหมือนเขาให้เอาทองคำมาให้เราเราบอกเฮ้ยทองเก๊ก็ไม่เอาแล้วส่งคืนเข้าไปคุณก็ไม่ได้ทองทองคำนั่นนี่เพราะคุณคิดว่าเป็นทองเก๊แต่ถ้าเป็นทองเก๊แล้วคุณไม่เอาคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่เสียอะไรคุณจะได้ไม่ได้ทองเก๊มา แล้วมาเครียดเป็นทองจริงแล้วมาเครียดกับการรักษาทองเก๋ทําไมเหตนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เขาพูดนั้นเขาจริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงพระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาอย่าไปว่าเขาถูกหรือผิดเขาจริงหรือไม่จริงรอรอเวลาไปพิสูจน์ก่อนเรี้กระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเดี๋ยวก็รู้เองว่าเขาจริงหรือไม่จริงอ ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไปหาหลักที่เรามั่นใจกว่าคําสอนที่มั่นใจที่จริงร้อยเปอร์เ็นตก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยไปอ่านให้พอเนี่ยไปกังวลกับคนที่เราไม่มั่นใจทําไมใช่ไหมและในการที่ถือตัวเองเป็นนักปฏิบัติทำแล้ววิจารณ์คนอื่นว่าไม่ใช่นักปฏิบัติด้วยเหตุผลต่างๆหนูกราบเรียนถามว่าอย่างนี้จัดว่าเป็นความหลงเกี่ยวกับการถือตัวว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติทำไหมคะ ก็ว่าถือก็ได้เราเป็นปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็วิจารณตัวเราคนเดียวก็พอไม่ต้องไปวิจารณคนอื่นน่ะวิจารณคนอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราวิจารณตัวเราแล้วเราปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติจริงหรือไม่ดีกว่าถ้าปฏิบัติจริงเราต้องได้ผลเราได้หรื อ, อยังอย่างนี้ดีกว่าถ้ายังไม่ได้ก็รีบปฏิบัติให้มันจริงทัทีมันจะได้ผล อย่าไปวิจารณ์คนอื่นให้วิจารณ์ตัวเองอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นให้เพ่งโทษตนวเองดีกว่าคําถามจากคุณน้อยคนที่ตายศพสวยเช่นหลับตายเป็นคนมีบุญและคนที่ตายศพไม่สวยเช่นถูกเขาฆ่าตายเป็นคนบาปจริงหรือไม่ครับอ๋อไม่จริงหรอกศพไม่มีสวยหรอก <laughs> ถ้าสวยก็แย่งซื้อกันแล้ว <laughs> คำถามจากคุณทางสายเอกถ้าเราฝึกดูลมหายใจแต่ยังไม่ชัดเราใช้วิธีการบังคับลมให้ยาวๆเพื่อจะเห็นได้ชัดขึ้นได้ไหมครับหรือว่าต้องตามดูแบบไม่ต้องบังคับครับอย่าไปบังคับมันบังคับแล้วมันก็เป็นการทำงานของจิตเราต้องการหยุดทำงานของจิตเนี่ยถ้ายัางดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนแสดงว่าสติเรายัางน้อยแล้วจิตเรายัางหยากไม่สามารถดูลมที่ละเอียดได้ เราก็อยู่กับการสวดมนต์ไปสักพักก่อนสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนับจิตมันก็จะเริ่มเบาเริ่มเย็นเริ่มละเอียดมันก็จะเริ่มเห็นลมหายใจได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีคนบอกว่าถ้าอุทิศส่วนบุญต้องบอกชื่อแล้ววันที่ตายด้วยถึงจะได้รับบุญเพราะว่ามีคนที่ตายชื่อเดียวกันเยอะจริงหรือไม่ครับเออไม่จริงหรอ คนที่ตายคนที่เรารู้จักนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้พี่เนี่นึกถึงเขาว่าพ่อแม่เนี่ยคนนี้คนเดียวไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีวันตายก็ได้ขอให้เรารู้ว่าคนนี้ก็แล้วกันก็ใช้ได้นละขอให้เลือกบุตส่วนบุญนี่ให้คุณพ่อของเรามีรูปลักษณะอย่างนั้นในความรู้สึกนึกคิดของเราแค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องจำชื่อจาวันที่จาอะไรต่างๆได้ คำถามจากคุณวิชัยการที่มีการฉีดยาให้เสียชีวิตกรณีผู้นั้นสมัครใจเหมือนที่ทํากันอยู่ในต่างประเทศถือว่าเป็นบาปหรือไม่ครับเป็นเพราะเป็นการฆ่าตัวตายมันมีเจตนาทางการที่จะทําทให้ร่างกายตายซึ่งเป็นเป็นบาปเพราะมันเป็นความหลงเป็นความหลงเป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นวิฉาทิฏฐิไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหา เป็นการวิธีสร้างปัญหาให้มีตามมาคือจะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือทำใจให้สงบแล้วปล่อยให้ร่างกายมันตายไปตามธรรมชาติของมันต่อไปจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคำถามจากคุณจอยผมได้ศึกษาฟังทรรมปฏิบัติภาวนา ม, มาหลายปีแต่พอลาที่พ่อแม่ป่วยหนักยังรู้สึก อ่อนไหวทุกใจร้องไห้ทั้งที่ท่านยังไม่จากไปและอายุมากกว่าแปดสิบปีแล้วขอความเมตตาตาพระอาจารย์แนะนำสั่งสอนด้วยครับก็สติไม่พอไงกิดอารมณ์เศร้าต้องรีบหยุดมันด้วยพุทโธพุทโธไปพอมันเริ่มจะรู้สึกเศร้ารู้สึ ก, สกไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธไปพออยู่กับพุทโธสักพักอารมณ์มันก็จะหายไป คำถามจากคุณอ้นการปฏิบัติต้องเริ่มจากทำสมาธิแล้วกำหนดรู้ขันห้าหรือว่าอยู่ๆกำหนดรู้ขันห้าได้เลยครับอันนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นสองเรื่องเรื่องสมาธิก็เรื่องเรื่องขันห้าก็เรื่องเรื่องขันห้าเป็นเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของการปล่อยวางเราจะปล่อยวางอะไรได้นี่ต้องปล่อยด้วยสมาธิต้องใช้อเบคา แต่การจะปล่อยหรือไม่ปล่อยต้จะรู้ว่าจะปล่อยอะไรไม่ปล่อยอะไรก็ต้องมีปัญญาอะนั้นมันก็ต้องทําทั้งสองส่วนนี้ไม่ได้ทําพร้อมกันช่วงไหนเราทําสมาธิเราก็ทําเพื่อให้เกิดโอเบกคาช่วงไหนที่เราไม่ทําสมาธิเราก็มาศึกษาทางปัญญาให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เราจะต้องปล่อยวางอืม มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสองภาควิชาพูดย่างไงเป็นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์มันเป็นคนละเรื่องกันที่จะต้องศึกษาเพราะมันเกี่ยวดองกันเพราะมันจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ เ, เป็นนักพยาศาสตร์ก็ต้องรู้จักคณิตศาสตร์เพราะต้องทาการคำนวณอะไรต่างๆถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้การที่จะกาจัดกิเลสดัแบบความทุกข์ใจได้ก็ต้องมีสองส่วน มีสมาธิที่ใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางได้แล้วก็มีปัญญาที่สอนใจให้เห็นคุณของการปล่อยวางเห็นโทษของการระยึดติดมันก็จะปล่อยวางได้ ต, ต้องทาทั้งสองอย่างช่วงที่ทำสมาธิก็ไม่ต้องไปทำปัญญาไม่ต้องไปศึกษาเรื่องขันหช่วงที่ไม่ได้ทำสมาธิอยากจะไปศึกษาเรื่องขัน5้าก็ไปศึกษาได้ แล้วดูซิว่าเอามาใช้ประโยชน์ปล่อยวางขันห้าได้หรือเปล่าถ้าปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังเห็นไม่ชัดยังไม่เห็นโทษของการยึดติดในขันห้าหรือเห็นโทษแล้วแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีอุเบกขาพอก็ต้องไปฝึกสมาธิให้มากขึ้นมันต้องมีทั้งสองส่วนด้วยกันถึงจะสามารถปล่อยวางได้เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา